ก็ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใตร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรูวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงของตัณหาซึ่งเหมือนกับสิ่งที่มาปรักใสเสือกใส คนให้เลื่นไหลไปสู่อำนาจของเขาพวกเหล่านี้เราจะเห็นว่าอุปาทานก็มาจากตัณหาตัณหาเองก็มาจากอุปาทานได้นะฮะคือว่าเป็นการมองย้อนมาจากกลายแต่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเขาเป็นปัจจัยของกันแลกกันเราจะ ก, กระโดดข้ามไปได้ด้วยนะฮะเช่นตัณหาชเนติบุริสังตัณหายังชนให้เกิด แม่มันไม่ได้พูดถึงอุปาทานไม่ได้พูดถึงภพไปพูดถึงชาติเลยคือกระบวนการตัวนี้ที่จึงสามารถย่อยได้อีกย่อยได้อีกว่าตรงเนี้ยในความเป็นภพเนึ่ยก็ย่อยต่อไปในความเป็นชาติก็ย่อยย่อยชาติต่อไปก็ยาวเหยียดเป็นกระบวนการที่เลื่อนไหลไปมันก็เหมือนกับอะไรล่ะเรานับเรานับกระแสกระแสต่างๆเนี่ย การเกิดดับของกระแสต่างๆเช่นเราวัดกระแสไฟเนี่ยเฮ้ยเกิดดับกระดับกระดับกระดับกระดับไปเป็นแถวไปมันก็วัดได้นะฮะปริมาตรในการใช้เท่าไรเท่าไรเท่าไรแล้วน้ําไหลไปเท่าไรเท่าไรแล้วเนี่ยมีมัดวัดได้แต่ว่ามันมั น, ม, นมันเร็วมากคล้ายๆกับเวนี้มีเครื่องนับถ น, นัมบัดแล้วใส่ฟัวเข้าไปเนี่ยมันออกมาเร็วตัวเลขนันชัดเจนแต่ถ้าเรานับแล้วมันก็ช้าเทนะ้น เพราะว่าการเลื่อนไหลของสิ่งเหล่านี้มันไหลเร็วมากเาก็นับไม่ทันอ่ะกำหนดนับไม่ทันแต่ท่านก็เรียงให้เราดูว่าเป็นเกาะกลุ่มแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้ประการต่อไปเนี่ยก็ตั้งปัญหาตามว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันมาจากไหนเสร็จแล้วก็ไปพิจารณาว่ามันมาจากเวทนาแต่นั้นก็ทรงสรุปว่า เพราะเวทนานี่เองมีอยู่ตัณหาจึงมีเพราะฉะนั้นตนามีพระเวทนาเป็นปัจจัยเวทนาก็คือความสวยอารมณ์เราไม่อ่านว่าเวท น, นะนาเวทนาแปลว่าสงสารเวทนาแปลว่าจิตที่ทำหน้าที่สวยอารมณ์เป็นสุกตามเป็นทุกขตามไม่จะทุกข์ไม่จะสุกตามก็จับประเด็นแค่สามด้๋ยก่อน เวทนาเขาเยอะนะฮะเ ข, เขาเขนับไปได้ถึงร้อยแปดเหมือนกับตัณหานี่ก็นับไปได้ถึงร้อยแปดเหมือนกันเวทนาก็นับไปได้ร้อยแปดแต่เราแค่เวทนาสามคือสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขทีนี้ทางเกิดของเวทนาเนี่ยมันก็มีหกอย่างที่เคยพูดไว้หลายวันที่แล้วนะฮะว่าเวทนาก็มีหกเรียกเต็มที่เรียกว่าจักขุ สัมผัสเชาวเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุกตามทุกตามไม่จะทุกไม่จะสุกตามเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุกตามทุกตามไม่ทุกไม่สุกตามเหมือนกันทั้งหมดเนยนะฮะเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชีวะสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยคือจมูก การสัมผัสโดยจมูกเป็นปัจจัยแล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางใจคือใจที่เหนียวนึกตรึกนึกแล้วมันเกิดยินดียินร้ายหรือจิตปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาก็แล้วแต่ตอนเวทนามันก็มีหกแต่ท่านลองสังเกตนะฮะว่าตรงนี้มันกลายเป็นทุกขกับสมุทัยอีกแล้ ตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ตอนปลายมาที่เราเรียกว่าชรามรณะแล้วก็ชาติแล้วก็พบผู้นี้เป็นวิบาก ค, คือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากอุปาทานกับตัณหาอุปาทานเพรา ะ, ะตัณหากุปาทานในแง่ของอนิยจสัตว์ก็คือเขาก็เป็นทุกข์สัตว์ไม่ใช่เป็นสมุทัยสัตว์ทีนี้พอมาถึงเบทนาเข้าในเวทานาก็เป็นทุกข์สัตว์ มันก็เป็นกลุ่มของทุกข์คือเป็นทุกขะขันเขาเรียกอุปาทานขันขันเป็นนีสตั้งแห่งความยึดความถือเอถ้าเป็นสุขเราก็ชอบใจนะยึดด้วยความชอบแต่เป็นทุกข์เราก็ไม่ชอบใจก็ยึดด้วยความชังทีนี้มันก็สาวกลับไปหาที่มาของทุกข์คิดว่าใครทําให้เราทุกข์ใครทําให้เราสุขแหละใครทําให้เราทุกข์เราก็ไม่พอใจใครทำให้เราสุขเราก็พอใจก็เกิดเป็นโรคปวดหง ก็ดึงกลับไปสู่กิเลสอีกพวกนี้เอมถามว่าเวทนาเนี่ยมันมาจากไหนล่ะในสุดก็ทรงได้บทสรุปว่าเพระาะผัสสนี้เองมีอยู่เวทนาจึงได้มีเพราะเวทนามีเพระาะผัสสะเป็นปัจจัยอย่าลืมนะฮะตรงนี้ก็ความเต็มๆข้อความเต็มๆก็จะรับสั่งเล่า ว, ว่า ภิกษุทั้งหลายความโงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชารามรณะจึงได้มีแล้วก็ความเกิดคำคำตอบมันเกิดผุดขึ้นภายในประทัยของพระองค์ว่าได้เกิดความรู้สึกด้วยปัญญาเพราะคิดโดยแยกข่ายแก่เราว่า เพราะชาตินี้เองมีอยู่ชลามนะจึงได้มีชลามนะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยทีนี้ทุกข้อเนี่ยทุกข้อมันเป็นกระบวนการความคิดจนรู้สึกโดยปัญญาแสดงว่าพลังปัญญาเด่นได้ขนาดนี้ถ้าพูดโดยปริยัติอย่างที่บอกว่ากว่าจะอธิบายได้เนี่ยก็ตาเลือกอมาเคยคุยกับปู่ใหญ่ลุงปู่ลุงปู่ที่วัดเนี่ยลุงปู่ยานโรดมสนกิจการโร คือท่านเก่งในด้านในด้านธรรมะมา ก, มากแล้วก็ไปคุยกับท่านคือขอให้ท่านช่วยอธิบายปฏิจิสมุบาตออมามันติดอธิบายไม่ถูกจับประเด็นไม่ได้ลุงปู่ท่านบอกว่าเออเรื่องนี้ผมไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่เคยอธิบายนะไม่กล้าท่านบอกไม่กล้าอธิบายคือตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราไม่อธิบายแต่ว่าก็ขนาดอธิบายได้เนี่ยก็ลำบากนะ แต่ไม่ใช่ละตันหาวปาทานได้เอาขนาดอธิบายได้ในตาเหลือกแล้ละตันหาวปาทานแล้วเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะมันเป็นตัวสมุทัยซึ่งการจะละมันได้เนี่ยมันต้องเจริญในอริยมรรคในองค์แปดประการจนสมบูรณ์นะ น, นะทีนี้พรรษะที่แปลว่าการกระทบนี่เราเจอมาแล้วอกันนะฮะวันก่อนนี่ยเราเจอมาแล้วว่าพรรษะนี่คือการกระทบ เป็นการกระทบระหว่างอายตนะภ า, ายในภายนอกวิญญาณเนี่ยเราเรียกว่าสัมผัส เ, เช่นสมมุติว่าเราเห็นรูปด้วยตาแล้วเกิดใส่ใจในรูปนั้นรวมแล้วก็เป็นผัสสะแต่พอใส่ใจมันเป็นเบทนาไปแล้วน ะ, ะเกิดชอบไม่ชอบแเกิดสุขกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วมันเร็วนะฮะพวกนี้ที่จริงเร็ววัดใหญ่เองอเพียงแต่ว่า ปริศนาพอศึกษาในรายละเอียดมันเหมือนกับไอวิทยาศาสตร์เหมือนไฟฟ้าเหมือนเคมีเหมือนฟิสิกส์เหมือนอะไรแต่อะไรเนี่ยมันที่จริงนิดเดียวเองแต่ในกระบวนการศึกษาเรียนรู้นี่เยอะเลยหลายนากาันแหละภาษามันก็มีหกจะขูดสัมผัสสัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางนิ้นทางกายแล้วก็ทางใจสัมผัสก็เป็นทุกข์ศาสตร์อีก น, นะ สัมผัสเนี่ยผัสสะเป็นทุกข์ษัตริย์แต่มันเองเป็นกลางกลางเวทนาเองเหมือนกันนะเขาเองเป็นกลางกลางคือไม่สุขไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดีไม่ชั่วในตัวเขาเองแต่ว่าจะดีชั่วก็อยู่ที่ใจเราไปปรุงคิดคิดปรุงเอาจะาถามว่าไอ้ผัสสะ ม, มันมาจากอะไรก็มาจากอายตนะภายในภายนอกก็รับสั่งว่ารับสั่งเต็มที่นะฮะ ภิกษุทั้งหลายได้เกิดความรู้สึกด้วยปัญญาเพราะการคิดโดยแยบคายแก่เราว่าเพราะสลายตนะนี่เองมีอยู่ปัจจะจึงได้มีปัจจามีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะตามปกติเราไม่ค่อยเรียกสลายตนะก็เ ร, เรียกว่าอายตนะหกนะที่จริงแต่ว่าเราจะเรียกว่าอายตนะภายในภายนอก หรือบางทีก็เรียกอายตนะไปเฉยๆหรืทับไปเฉยๆแต่ว่าในปฏิจจสมบาทเนี่ยจะทรงใช้คําว่า ส, สล า, ายตนะเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะไม่เจอบ่อยส่วนมากจะเจอเจอายตนะอายตนะภายในภายนอกคำคำเหล่านี้เป็นคําที่สมมติเรียกเวลาเรียกเป็นกระบวนการก็จะเรียกเต็มที่นะเต็มที่ของภาษาเหล่านั้นเออถามว่า อายตนะมีเท่าไรอายตนะภายในของเราเนี่ยของเราเนี่ยคือเราในี่มีหกภายในก็เรามีหกแต่ในขณะเดียวกันไอ้ภายในของเราเวลาไปมองดูข้างนอกข้างนอกมันก็มีหกเหมือนกันคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นดอนอ่อนแข็งใจเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์กำลัดค่าของอารมณ์ก็แล้วแต่เพราะะรูปเสียงกลิ่นรสปถัมภัธรรมารมณ์เนี่ย มันเป็นอายตนาภายนอกเอาหูจมูกทิ้งกายใจเนี่เป็นอายตนาภายในแต่ว่าทั้งทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าเราเป็นอายตนาภายนอกของคนอื่นคนอื่นก็เป็นอายตนาภายนอกของเราแต่มันเป็นผลตัวมันเองก็เป็นทุกข์ษัตริย์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ด้วยเหตุปจัจจัยพอเป็นทุกข์กัตริ์มันก็ตกอยู่ในกฎข้อหนึ่งก็คือเกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยเห็นไหมเวทนาเนี่ก็อาศัยเหตุปัจจัยเกิด ผัสสะก็สาเหตุปัจจัยเกิดอายตนะเองก็สาเหตุปัจจัยเกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นในลําพังแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแป ร, ป, รปลุนไปการดํารงอยู่ก็ดํารงอยู่แบบขณะขณะขณะขณะก็ต่อกันเป็นแถาแล้วก็จะถูกแผดเผาด้วยปัจจัยภายใ น, ในบ้างภายนอกบ้างผลเบทนาจึงมีสุขบ้างทุกข์บ้างสิ่งที่เราสัมผัสนั้นที่จริงแล้วเนี่ย มันก็เป็นอย่างเหมือนเป็นแต่ว่าใจเราเป็นเป็นใจที่มีปัญหาเพราะใจเรามีตัณหามีอุปาทานเราไปกําหนดมันไปกําหนดมันด้วยความชอบด้วยความชังกิเลสประเภทโลภปกรง่งก็เกิดขึ้นที่จริงเนี่ยถ้าเราเฉยๆเราลองสังเกตดูนะที่จริงเราทําเฉยได้เพียงแต่ว่ามันตั้งหลักไม่ค่อยทันเช่นสมมติเราเดินไปไปเจอคนคนหนึง่งก็ด่าเราเห็นปั๊บดา่าปุ๊บเลย เราก็โกรธขึ้นมาทันทีได้แต่พอดีมีคนเขาก็ซิบบอกบอกว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนบ้าก็ายืนด่าอยู่นเนี้ยทุกวันเนี่ยใครมากระด่าทุกคนนั่นแหละเราหายโกรธอ่ะเราก็ขำขำลึกๆนี่ค่อนข้างจะสลดใจตัวเองนะฮะไปโกรธกับคนบ้าอะไรอย่างไงเวรกรรมจริงๆนะนั่นคือแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่ปรุงเฉยๆพวกผัรษะกับพวกอาญตนาเนี่ยมันอยู่ที่การปรุงเราเฉยๆเวทนาก็เหมือนกัน มันอยู่ที่การปรุงเฉยๆแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้นาตันหาร้อนนะฮะตันหาในร้อนโดยสภาพเลยอุปาทานเนี่ยจะร้อนโดยสภาพของเขาแต่พวกนี้ที่จริงไม่หรอกเราไปกําหนดค่ามันเฉยๆว่ามันร้อนมันก็ร้อนนะฮะกำหนดถ้เย็นมันก็เย็นกําหนดเฉยๆมันก็เฉยๆมันเป็นอย่างที่มันเป็นเพียงแต่เราไปมีความรู้สึกต่อมันมันเหมือนกับอร่อยเนี่ยเราลองสังเกตยิ่งอร่อยนี่มีจริงหรือเปล่า มีจริงฮะถ้ามีจริงต้องเป็นสากลหมายความคนทุกคนเนี่ยสัมผัสปั๊บต้องอร่อยแต่ก็เปล่าบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนรู้สึกขยะขยะงี้ไปเราแสดงว่าสิ่งเหล่านี้โดยเนื้อหาสาระแล้วไม่มีอยู่จริงๆางานการศึกษาการทำความกระจ่าจกัตรงนี้เราเห็นว่าตรงนี้มันก็กลายเป็นทุกข์ตริย์แหละจากเวทนาผัสสะ สลายตนะมาจนถึงก็ตั้งปัญหาถามว่าเพราะสลายตนะนี่เองมีอยู่ภัฒนาจึงได้มีภัฒนามีเพราะอายตนะเป็นปัจจัยเพราะนามรูปนี่เองมีอยู่ทีนี้ลักษณะาการเห็นเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะคือว่าภิสูุตั้งหลายได้เกิดความรู้สึกด้วยปัญญาเพราะการคิดโดยแยบขายของเราว่าเพราะ นามรูปนี้เองมีอยู่อายตนะจึงได้มีอายตามีได้ก็เพราะนามรูปเป็นปัจจัยทีนี้นามรูปมันคืออะไรนามก็อย่างที่บอกไว้นะสิ่งที่เรารู้ได้ใจแต่รูปมันก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้โดยประสาททั้งห้าเพราะนามรูปเหล่านี้ก็คือตัวชีวิตร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนผสมส่วนรูปร่างกายก็คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนะไม่ใช่ ดินน้ำลมวัยอากาศพราะที้เรามีวิญญาณเรามีวิญญาณมันก็ทําให้มีสิ่งเกิดขึ้นปรุงแต่งวิญญาณเช่นใดละ่ะผัสสะการกระทบปลูกมนานสิกานคือความใส่ใจความสนใจมีอะไรละ่ะมีเจตนามีเจตนาคือความความจงใจคิดจงใจพูดจงใจทําแล้วก็พวกนี้พวกสัญญาพวกอะไรต่รตางๆให้เราสังเกตว่าสัญญาไม่มีสัญญาก็ไปอยู่ในตรงนี้ อยู่ในคําว่านามนะฮะอยู่ในคําว่านามทีนี้ถ้าถามว่านามเนี่ยมันมาจากอะไรไม่ใช่นามารูปมาจากอะไรมาจากวิญญาณวิญญาณตรงนี้มีการอธิบายอยู่สองแนวแต่ที่จริงคือกันน่แนะ่อธิบายแนวไหนก็คือกันก็คือจิตนั่นเองบางครั้งมีการพูดถึงวิถีวิญญาณคือจิตที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์บางครั้งก็มีการพูดถึงปฏิสนธิวิญญาณ วิญญาณที่ไปถือไปสันทิปพอไปสันทิปมันก็เป็นนามารูปนามรูปมันก็มียตนะก็มียตนะก็รับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางอยตนะมันกลายไปวิญญาณก็คือการนั่นแหละเพียงแต่ว่าพูดวิญญาณส่วนเหตุหรือวิญญาณส่วนผลนะในชีวิตคนคนหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยวิญญาณส่วนเหตุก็คือปไิสันทิปวิญญาณก่อนถ้าไม่มีไปสันทิปวิญญาณมาเกิดในก้อเนิดต่างๆมันก็จะมีวิถีวิญญาณได้ยังไง ทีนี้วิถีวิญญาณมันก็เป็นผลของไปสนที่วิญญาณเพราะฉะนั้นการจะพูดตรงไหนก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่มาต้องเทียงกันเถียงกันแค่ศัพบนะแค่เนื้อหาสาระเนื้อหาสาระเขาก็ลงกันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรสังเกตเอาไว้ว่าวิญญาณมีการพูดอยู่หลายนัยยะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสองนัยยะตรง น, นี้ยจะมีการพูดว่าปฏิจจสมบาท กระบวนการปฏิจจสมุปบาทเกิดดับในแต่ละขณะพูดได้นะะในแต่ละขณะก็ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นกระบวนการของสังสารวัตมันมีลักษณะของก่อให้เกิดการหมุนวนอยู่ในสังสารวัตเราจะเห็นถึงตัวเงื่อนต่อในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนั้นจะนำคนไปถือไปจนที่ในกาเนิดต่างๆเพราะปฏิสนทิวิญญาณก็คือ คุณภาพของจิตคุณภาพของจิตเวลาเวลาเวลานั้นน่ะเขาเรียกว่าจุติปฏิสนธิจุติก็คือตายไปสนธิก็คือเกิดก็ไปสนธิก็คือการถือกําเนิดในการเกิดในกําเนิดอะไรล่ะเกิดในขั้นเกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นมันก็ย้อนกลับเข้าไปสู่ที่ชาติเห็นไหมตรงนี้ที่จริงก็เหมือนกับชาติก็ชาตินั่นแหละ เพียงแต่ว่าชาติตัวก่อน่ะชาติตัวก่อนมันเป็นชาติในในชาติสมมุติรชาตินี้นะชาติเนี้ยเราเกิดในชาติเนี้ยตัวชาติตัวก่อนตัวชาตินะคือการเกิดในชาตินี้แต่ถามว่าเกิดตรงเนี้ยมันมันมาจากอะไรเราจะเห็นว่ามาจากปิติสนธิวิญญาณ ปฏิสุทธิวิญญาณมาจากอะไรมาจากบุญบาปมาจากอนนจจะคือสังขารสังขารมาจากอะไรมาจากอวิชชาตรงลงว่าตรงนี้ก็เป็นกระบวนการเดียวกันเพราะว่าที่เราพูดมาแล้วสามคำเนี่ยนะฮะสี่คำคืออะไรก็คืออุปาทานคือพบคืออุปาทานคือตัณหาคือชาตินชาติก่อนคือชาติคือพบคืออุปาทานคือตัณหา ติวิชาตเนี่ยมันมีค่าเท่ากับบิน ญ, ญาณตรงนี้นบนภพมันก็มีค่าเท่ากับสังขารแล้วก็อุปาทานปตานาก็มีค่าเท่ากับวิชาหมายความพวกเดียวกันพวกอเป็นอะไรเขาเรียกสภาสภาขธรรมเกิดธรรมที่เป็นสภาเกิดเป็นพวกเดียวกันเพียงแต่ว่าอย่างหนึ่งเป็นอดีตเหตุอย่างหนึ่งเป็นปัจจุบันเหตุ อย่างหนึ่งเป็นเป็นอดีตผลอย่างหนึ่งเป็นปัจจุบันผลดนั้นเองเพราะในในความเป็นเป็นปฏิสนธิวิญญาณพอไปเกิดในที่ต่างๆแล้วเราก็นึกถึงเขาเรียกว่าวิญญาณอาธิติเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งของวิญญาณก็ทรงจําแนกตามประเภทของสัตว์ซึ่งเกิดในภพครั้งเนี้ภพทั้งสิบหกไปภพทั้งสิบกภพทั้งสามิเ็ดภพอ่ะ ก็ตามแรงดันของกรรมที่บุคคลได้กระทาเอาไว้เพราะวิญญาณในที่นี้ถ้าเราพูดในช่วงถือไปฏิสนธิก็เรียกปฏิสนธิวิญญาณถ้าเราพูดในช่วงรับอารมณ์ก็เรียกวิถีวิญญาณเรียกต่างกันแต่ว่าเรียกสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่ามันไหลต่อเนื่องคือคือจะสิ่งเดียวกันก็ไม่เชิงนะแยากส่วนก็ไม่ใช่ใกล้ๆกับเราเมื่อตอนเด็กกับเราเดืยวนี้เนี่ยตามคนเดียวกันหรือเปล่า มันก็ไม่เชิงนะฮะถามว่าไม่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะมันไหลต่อเนื่องกันมาไหลต่อเนื่องกันมาหนังสือที่เราอ่านสมัยเป็นเด็กก็มาอยู่กับเราในสมัยนี้เลยแต่ว่าความเป็นเด็กขเรากระดับไปแล้วเรากระดับไปเยอะมันเกิดดั บ, กบเกิดดับเกิดดับเกิดดับพวกนี้จึงเป็นกระบวนการต้องไม่ลืมเรื่องเกิดดับอุปอดาดัตติเตปังค่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปาดัตติเตปังค่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียงลดดันกันลงมา จยนมาถึงสังขารสังขารมันก็ตั้งคำถามเหมือนเดิมนะฮะตั้งคำถามว่าที่สูตรต่างหลายความจจงหนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าเมื่อไรมีอยู่หนอสังขารวิญญาณจึงมีแล้วก็ความรู้เนี่ยได้เกิดความรู้สึกด้วยปัญญาเพราะคิดโดยอุบายแยบขายแก่เราว่า เพราะสังขาร น, นี่เองมีอยู่วิญญาณจึงได้มีวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยทีนี้สังขารในอย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องของนามธรรมาได้แก่ปุญญาพิสังขารนะพิสังขารคือบุญปุญญาภิสังขารก็คือบาปอนเนินชาพิสังขารก็คืออรูปฌานพวกนี้นําไปสู่พบนะฮะพวกนี้เขาเรียกว่าวัตถามีกุศล เป็นกุศลระดับที่นําคนให้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏพบชาติจะบ้างกลางบางละเอียดบ้างแต่ก็อยู่ในแวดวงกสังสารวัฏเพราะอะไรเพราะตัวหัวใหญ่เขายัางอยู่นะตัววิชาเนี่ยเขายัางอยู่ทีนี้พวกพวกเหล่านี้ตัวตัวใหญ่จริงๆตัวเหตุจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าที่เราต้องทําเนี่ยคือตัวสังขารตัวสังขารที่เราต้องทําต้องสร้างขึ้นทีนี้สังขารที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันจะพัฒนาคุณภาพวิญญาณ พวกะคุณภาพวิญญาณถูกพัฒนานามรูปกับประณีหนารูปกประนีอายุยนืนกัประณีมันก็ไปก็มาในพรรษาอะไรแต่ต่างๆก็ประณีตไปนะอย่างเทวดาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีบุญก็มีบุญเขาก็ไปปฏิสนธิโดยกําเนิดที่ต้องไม่ผ่านวัยฐารกไม่ต้องประสบความทุกข์ทรมานไปขังอยู่ในท้องในที่แคบๆนะะเป็นเวลาตั้งก้าวเดือนสิบเดือนหรือว่าอก่อนานานนิดหน่อยนะ เพราะนั้นเขาจึงไปได้อะไรอายตนะประณีตคือตาหูจมูกลิ้นกาดใจที่เป็นทิพธ์ทาให้เขาได้สัมผัสผัสสะที่ประนีตคือสัมผัสทิพธ์แล้วก็สุขสุขที่เป็นเทวสุขคือทิพยสุขเห็นไหมฮะทิพยสุขก็ตัณหามันก็ไม่หยาบตัณหาของเทวดาไม่หยาบเป็นตัณหามนุษย์มนุษย์ตัณหาหยาบต้องการรูปหยาบหยาบเสียงหยาบหยาบกลิ่นหยาบ แต่ว่ามนุษย์ก็มีความยิ่งย o อนแตกต่างกันเราลองสังเกตแม้ตัณหาด้วยกันแปลว่ามันไม่ใช่ตัณหาในสิ่งเดียวกันเสมอไปมีเป็นนันมากที่ในขณะที่คนหนึ่งก็มีตัณหาแต่เราก็ไม่อยากได้ดูตัวอย่างง่ายๆนะเช่นเด็กอยากได้รถน้อยๆเรือน้อยๆอยากได้ตุก๊กตาอยากได้เยอะอยาได้โต๊ะฟงโตฟี่เราไม่อยากแต่เราก็อยากอย่างอื่นซึ่งมันประณีตกว่ามันเหมาะสมแก่เรามากกว่า เรแสดงว่าเด็กก็มีตานาเราก็มีตาหาแต่ว่าตาหามันหยาบกลางละเอียดนั่นก็เป็นรายละเอียดเพราะงั้นผู้สังขารเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักใหญ่ที่เราจะต้องสร้างขึ้นนะแล้วมันจะไปยึดโยงอยู่กับอวิชาการองการจะเกิดสังขารที่ประนีตขึ้นมาได้แต่วิชาต้องลดนะถ้าวิชามันเยอะเราก็สังขารก็ไม่ประณีตหรอกั้งฝังทงั้งหลย ในรมพอติยาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี